ถ้าธรรมเทศนาของท่านหลวงตานำงศักดิ์คี น, น, นั้นตอนแนวทางการปฏิบัติเพื่อออกจากสังสารวัฏ ต, ตอนที่หนึ่งเราก็จงเข้าใจของธรรมชาติเรามาวางธรรมมาปฏิบัติธรรมก็ต้องเข้าใจว่าเรามาปฏิบัติธรรมทาไมการปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เข้าใจว่าอะไรเป็นธรรม คือท ร, รมันคือธรรมชาติธรรมชาติของการเวียนว่ายตายเกิดกับธรรมชาติของการสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดมันก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์เมื่อเกิดแล้วก็มีความทุกข์สารพัดทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับความพัดผ้า ทุกข์กบความไม่สมหวังไม่สมปรารถนาเมื่อปรารถนาสิ่งใดไม่ได้อย่างใจมันก็มีความทุกข์มีความอยากอย่างไรมีความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาไม่ได้อย่างที่ต้องการมันก็เป็นความทุกข์เมื่อเกิดแล้วประจมอยู่ในความทุกข์เหล่านี้เนะี่ยการไม่เกิดนะั่นเองจึงไม่ทุกข์ คุณจะสิ้นทุกเพราะนั้นอาทิมันยังต้องมาเวียนว้ายตายเกิดก็เพราะมันยึดตัวเดียวนะ่ะมันยึดตัวเดียวมันจึงทําไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเขาสินการยึดแต่แล้วมันก็สิ้นการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อสิ้นการไม่ไหวตายเกิ ด, กกดมันก็สิ้นทุกข์ถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยังต้องเป็นทุกข์อยู่นี่นะ่ะ อ, อะไรเราจะเปเหตุที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกับการยึดนี่ไนะยึดว่าเรามีตัวมีตน ม, มีตัวตนของเราหรือเราเป็นตัวเป็นตนแล้วเราก็ไปยึดเอาตัวเราเนี่ยไปยึดทิ้งใดภายนอกทั้งหมดมถ้าเราเข้าใจ ในการปฏิบัติธรรมก็คือธรรมชาติธรรมชาติของการปรุงแต่งที่ทำให้เกิดความทุกข์กับธรรมชาติของความสิน้นปรุงแต่งที่ทำให้สิ้นทุกข์สิ้นการเป็นไปใจเกิด น, นั่นเองคือเรามาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมให้เข้าใจก็อยู่ตรงนี้แหละทำยังไงเราถึงจะเข้าใจเข้าใจมันได้ตลอดาย ถ้าเราเข้าใจได้ตลอดสายเวลาเราการปฏิบัติประพฤตปฏิบัติมันก็จะง่ายเข้านันเราเมื่อเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเวลาเราปฏิบัติทำไปเราก็ปฏิบัติโดยไม่เข้าใจเวลาเราฟังทำไปเราก็ฟังทำแล้วเราก็ปฏิบัติโดยไม่เข้าใจว่าเราเนี่ย จะปฏิบัติไปสู่อะไรจะเดินทางไปทางไหนแ น, แน่ๆมันไม่ชัดในจิตใจเราทั้งหมดอะมันคุ้มเคือไปหมดเลยเราก็เลยมั่วๆ ม, มันก็เลยมั่วๆในการปฏิบัติทำก็เลยมั่วๆในการฟังทำมันก็เลยมั่วๆอยู่เหมือนกันเนีเราก็เห็นอยู่ตรงนี้เรา่งต้องพูดถึงสภาพของความเป็นจริง ซึ่งพวกเราสามารถที่จะทำความเข้าใจตามได้สภาพความเป็นจริงของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าเป็นสับปะสัทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดอ่ยร่างกายที่อยู่ในที่เรามีอยู่สภาพกันทุกวันนี้เป็นสภาพที่เปลี่ยนถ่ายล่างมาเราเปลี่ยนถ่ายร่างไปไม่รู้กี่ร่างแล้วร่างเราเปลี่ยนไปไม่รู้กี่ร่างแล้ว สัตว we we we mm ์เดรัจฉานในโลกเนี้ยทุกชนิดเราแทบจะเป็นมาหมดแล้วเกิดมาเป็นหมดแล้วเราเปลี่ยนถ่ายร่างไปอยู่ในร่างของสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นเนี่ยเราเป็นมาหมดแล้วจัดตีจัดด้วยคานสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์ไม่มีเท้าต่างๆเนี่ยพวกหนอนพวกแมลงเราเป็นมาหมดแล้วเราเกิดตายตายเกิดเปลี่ยนถ่ายร่างมาเนี่ยไม่รู้กี่กี่พบกี่ชาตินานจนหาต้นหาปลายไม่เจอ พุทธเจ้าตัดว่าร่างกายของเราที่เปลี่ยนถ่ายร่างไปแต่ละร่างเป็นแต่ละร่างเนี่ยเอามากองรวมกันเนี่ยมันใหญ่โตเท่ากับภูเขาอ่ะเวลาบรรพช น, นเนี่ยมันใหญ่โตขนาดนั้นเลยมาหืมมาเลยกองกระดูกเราเนี่มันเราเปลี่ยนถ่ายร่างมาจนไม่รู้กี่ร่างกีก่ร่างแล้วเพราะฉะนั้นนะไอ้ร่างเราที่มันนั่งฟังอยู่เนี่ยมันจึงไม่ใช่ตัวเรา เพราะเดี๋ยวมก็ต้องเปลี่ยนถ่ายล่างได้อีกเราต้องเข้าใจตรงนี้ซะ ก, ก่อนตอนจริงตรงนี้เราถึงจะฟังทำแล้วเข้าใจว่าธรรมชาติธรรมก็คือธรรมชาติที่แท้ จ, จริงมันคืออะไรคือร่างที่เราเปลี่ยนถ่ายล่างมาเนี่ยแต่ละร่างแต่ละร่างมันไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าไอ้ตัวเราที่มานั่งอยู่เนี่ยมันเป็นร่างที่เปลี่ยนถ่ายมาแล้วเราก่อนเราอยู่ในร่างนี้เราก็ร่างเราก็ไม่รู้ว่าร่างเก่าเราคืออะไรเราลืมไปหมดแล้ว เพราะไอ้ความจําได้หมายรู้ต่างๆเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ดับไปหมดแล้วเราก็จําอะไรไม่ได้เลยในพวกชาติก่อนๆนู้นก็จําอะไรไม่ได้เลยเพราะมันดับไปหมดนะทั้งร่างกายและความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความจําได้หมายรู้มันดับไปหมดมันดับไปหมดสิ่งนั้นในร่างเราที่มานั่งฟังทำอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ ร, ร่างของเราเที่แท้จริงร่างเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ย มันเป็นเพียงร่างที่ปรุงแต่งมาแล้วมันก็แตกตับสลายไปแต่เราที่แท้จริงไม่เคยตายเลยไม่เคยเกิดไม่เคยตายเพราะเราเปลี่ยนถ่ายร่างไปเรื่อยเราเนี่ยไม่เคยเกิดไม่เคยตายเลยมันเปลี่ยนถ่ายร่างไปเรื่อยหรือภาษานั้นเรียกว่าวิญญาณวิญญาณหรือจิตหรือใจหรือทาติรู้เนี่ยไม่เคยเกิดไม่เคยตาย เพราะเขาเนี่ยต้องเปลี่ยนทายล่างไปในล่างที่ล่างที่เปลี่ยนไปมีร่างกายใหม่คือมีรูปร่างมีสสารที่เป็นรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วก็มีพลังงานคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดขึ้นมาดังสสารและพลังงานเนี่ยมันจะแตกกลับไปเรื่อยแต่วิญญาณเนี่ยมันเป็นความว่างเป็นความว่างเปล่าเหมือนด่งอาวากาศ เป็นความว่างในจักรเหมือนเช่นเดียวกับในจักรวาลเหมือนดังจักรวาลมันไม่มีกิริยาการใดๆเลยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอสรีลังอ่าแปลว่าไม่สรีลั ง, รลงหรือสรีระคือไม่มีรูปพันธสถานใดๆเลยวิญญาณหรือธาตุรู้เนี่ยหรือจิตเดิมแท้แทหรือใจแท้แท้เนี่ยใจตั้งเดิมแท้แทเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่าง ไม่มีรูปพันธสัญญานอะไรเลยไม่มีรูปร่างว่าเป็นรูปร่างอย่างไรไม่มียาวไม่มีสั้นไม่มีน้ำไม่มีบางไม่มีสว่างไม่มีมืดไม่มีผ่องใสไม่มีเศร้าหมองด้วยนั่นแน่คือวิญญาณดั้งเดิมแท้ๆหรือจิตดั้งเดิมแท้ๆหรือใจดั้งเดิมแท้ๆเขาไม่มีกิริยาการใดๆเลยไม่มีความรู้สึกนึคิดอารมณ์ใดๆ ไม่มีอะไรกับเพื่อไม่มีการไหวตัวเลยวิญญาณ น, นั้นเป็นเพียงความบ้างเปล่าดัดดุจด่างอาวกาศเขาจึงไม่มีการเกิดไม่มีการตายจึงเปลี่ยนถ่ายร่างไปอยู่ในร่างต่างๆด้วยไปแม้แต่บรรลุพร น, นิพพานแล้วเนี่ยวิญญาณดั้งเดิม แ, แท้ๆหรือจิตดั้งเดิม แ, แท้ๆหรือใจดั้งเดิม แ, แท้ๆเนี่ยเขาก็ไม่ตายนะ ไม่เจ่ว่านีานแล้วเขาตายเขาก็ไม่ตายเพราะเขาไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยไม่มีรูปร่างอะไรเลยเขาจึงไม่แตกไม่ดับไม่ตายไม่ถูกทำลายได้วิญญาณเนี่ยแปลว่าภาษาบาลีแปลว่ารู้รู้เขารู้ทุกอย่างแต่เขาไม่มีตัวตนแต่คนทั่วไปเข้าใจว่าวิญญาณเนี่ยคือผีชาวบ้านทั่วไปเข้าใจว่าวิญญาณเนี่ยคือผี แต่วิญญาณดั้งเดิมแท้ๆหรือจิตดั้งเดิมแท้ๆหรือใจดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขามีแค่รู้เฉยๆมีแค่รู้เขารู้อย่างเดียวไม่มีรูปพั้นสัณฐานใดๆไม่มีรูปร่างใดๆเขาไม่ทั้งไม่ผ่องใสและไม่เศร้าหมองไม่อาจจะผ่องใสได้ไม่อาจจะเศร้าหมองได้เพราะเขาได้แต่รู้แต่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปพันนสถานใดๆเลยและเขาไม่เกิดไม่ตายไม่แตกไม่ดับไม่ถูกอาจถูกทาลายได้แม้แต่บรรลุนิพพานแล้วก็ยังทําลายไม่ได้ แล้วร่างที่เปลี่ยนผ่ายไปแต่ละร่างแต่ละร่างมันจึงเป็นร่างที่ปุงแต่งในชาติหนึ่งชาติหนึ่งแล้วก็แตกดับทํำลายไปเมื่อมีร่างใหม่ที่เกิดขึ้นมาในแต่ละชาติมันก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมาอย่างใหม่ในแต่ละชาติความจําเก่าว่าเราเคยเกิดเป็นอะไรมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเคยทํางานอะไรเคย ม, เคยมีเคยมีรูปร่างเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไง เป็นสัตว์สองขาสี่ขาสองหรือว่าจะเป็นสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคานอะไรหรือว่าจะเป็นอสุรกายเป็นเปรตหรือว่าเป็นสัตว์นรกหรือว่าเป็นเทวดาหรือว่ามีมนุษย์เป็นหน้าตาต่างๆกันเราจะไม่ได้หมดแล้วเพราะอะไรเมื่อเราเมื่อจะตายในความรู้สึกดึกคิดอารมณ์ความจําได้ไหมายรู้มันก็ดับหมดแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้มันย่อมดับได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดายังกินติตสมุทัยธรรมมังสะพันตังนิโรธธรรมบันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นมีการกระเพื่อมขึ้นมีการไหวตัวขึ้นมีการปรากฏขึ้นสิ่งเหล่านั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคือสิ่งที่ไม่กระเพื่อมไม่มีการก่อเกิดไม่มีปฏิกิริยาไม่มีกิริยาการใดๆสิ่งนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะเมื่อเขาไม่เกิดเขาจึงไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายไม่มีการตายอาจจะเรียกได้ว่าเล้าเนี่ยคือสิ่งนั้น ทีม่มีการเกิดไม่มีการดับไม่มีการแตกไม่มีการทําลายได้แต่รู้ได้แต่รู้เพราะมันเป็นญญ ว, วิญญาณาาาแปลว่าวิญญาณภาษาบาลีแปลว่ารู้ไม่ใช่วิญญาณแปลว่าผีได้ร่างกายเราเนี่ยที่เรามานั่งฟังอยู่เนี่ยมาจากไหนเราก็นึกย้อนพิจารณาไปให้ดีเลยร่างกายเราเนี่ยเราออกมาจากฟ้าแล้วมานั่งแบบนี้หรือยอย่างไร เราเหาะมาแล้วเราก็มานั่งมาจากฟ้าแล้วมานั่งแบบนี้เลยเรามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เหาะมาจากฟ้าเลยหรือว่ายังไงลองพิจารณาตามเราไปนะอย่าทำใจนิ่งๆท่านจาใจนิ่งๆท่านจะไม่เข้าใจเลยถ้าทําใจนิ่งๆอยู่ภายในหรือวิการแอบปฏิบัติธรรมอะไรอยู่ข้างในใจของท่านท่านจะฟังไม่เข้าใจเลยเพนั้นท่านต้องตั้งใจฟังดีๆเหมือนกับฟังเลคเชอร์เนี่ยต้องตั้งใจฟังดีๆเพราะมันเป็นธรรมชาติที่พระเจ้าเอามาเปิดเผยมันเป็นความจริง มันมีอยู่จริงแล้วทําไมเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจมันได้มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงเพราะในร่างกายเราเนี่ยเราไม่ได้หอกมาจากฟ้าทุกคนก็รู้ว่าเราไม่ได้หอกมาจากฟ้าแล้วมานั่งอยู่ต่อหน้าเราในรูปร่างแบบนี้เลย <c oughs> เราแรกเริ่มเนิมเข้ามาจากไหนอ่ะมาจากสเปิร์มของพอ่อกับไข่ของแม่โดยในขณะที่ไ ข, ข่ขังสุกไข่ของแม่สุกพอดีแม่บุญฤทดูพอดีไหนล่ะตัวเราอ่ะ ถ้าลงนึกิสียนาตามให้ดีนะถ้าจะทําทใจนิ่งๆกันนะอย่าแอบปฏิบัติอะไรใจอยู่ได้ที่ไหนสเปิร์มเนี่ยคือธาตุดินไครของแม่มันเป็นวุ้นเป็นสิ่งที่เป็นของเหลวเป็นน้ําเป็นธาตุน้ําเป็นวุ้นเป็นเป็นน้ําข้าเป็นของเหลวธาตุดินกับธาตุน้ํามาเจอกันเนี่ยก็คือมาจากไหนดินกับน้ํานั้นก็ไม่ใช่ตัวเราซะหน่อยนาก็มาจากสเปิร์มของพ่อนั่นแล้วก็ ใครที่ฟักตัวก็เป็นของแม่หาจ็จเป็นของเราแม่แล้วเราอยู่ไหนตอนนั้นเราอยู่ไหนอู่ทีถ้าเรานึกตามให้ดีว่าเราอยู่ไหนแล้วตัวเราอยู่ไหนเราไม่มีนะตัวเราก็ยังไม่มีเลยนะแล้วแม่ก็หายใจเอาทาตลมเข้าไปเอาธาตุไฟความร้อนเข้าไปเคี่ยวเอาไปเคี่ยว ไข่นี่ยแนะน้ำในไข่นี่ยแนะเขี่ยวให้มันเล็กนิดเดียวท่านว่าเหมือนกับน้ำเล็กเล็กนิดเดียวที่ติดปลายยอดยาเล็กแค่นั้นเองเราเริ่มต้นเดินตรงนั้นแล้วก็แม่ก็กินทราบพืชทราบสัตว์แล้วก็หายใจเอาธาตุลมเอาธาตุไฟเข้าไปเอาไปเขี้ยวเอาไปไปสันดาบกันทําให้ เลือดเนี่ยมันโตขึ้นมาเรื not, so e yeah. no. mm. ่อยๆไหนแล้วเราเราอยู่ไหนเนี่ยดูสิวเธีดีสิเรามียั้ยไม่มีเลยเราไม่มีเลยนะเลือดมันค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆก้อนเลือดมันค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยแล้วก้อนเลือดที่โตมาเรื่อยใช่ตัวเราหรือเปล่าล่ะก้อนเลือดที่โตมาคือมันมีอะไรในก้อนเลือดมันมีอะไรมีสเปิร์มีไข่แล้วก็มีผ่านลมผ่านไฟแล้วก็สักพืชสักสักสักบัวสักไวยสักหมู สัตว์เป็ดสัตว์ไก่สัตว์ุ้งหอยปูปลาที่แม่สารพัดจะกินก็นไปแล้วเรามันไม่ได้กินก็นไปเป็นตัวๆนะเราอยู่ในท้องเนี่ยเราก็ไม่มีอีกตอนนั้นน่ะมันเป็นแค่น้ําเลือดน้ําเหลืองเท่ น, นั้นเนี่ยที่เขาไปผสมกับกั บ, กบหยดเลือดนั้นในเราเราไม่มีเลยพยายามจะพูดถึงธรรมชาติแต่แท้เนี่ยธรรมะก็คือธรรมชาติแต่แท้ที่พระเจ้าเมาเปิดเผยไม่ใช่ว่าสิ่งเอะไที่มันลึกลับอะไรหรอก นี่เนี่ยคือธรรมะคือธรรมะแต่แฉเนี่ยก็คือธรรมชาติแต่แนี่เนี่ไหนล่ะเราอะก็เลือดก็โตขึ้นมาด้วยซากสบปะวัซากสบควายซากสบหมูซากสบเป็ดซากสับไก่ซากสบกุ้งหอยปูปลาซากพืชซากสัตสารพิษที่แม่สารพัดจะกินเข้าไปเลือดมันก็เลยพองออกมาได้ไอ้เนี่ยที่นั่งอยู่นี่คือซากสัตว์ทั้งนั้นแหละซากพืชซากส์ทั้งนั้นเลยทั้งหมดแหละแต่เราไปยึดเอาไว้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยมานั่งคฟังทาเนี่ยคือตัวกูแต่สัตว์ท ชีวิตกูเลือดเนื้อกูตรงนั้นเลยที่ที่มึงพองมาได้เนี่ยไม่มีอะไรเลยเปย็นส่วนของมึงสักอย่างเดียวแต่เราวเนี่คือตัวกูแต่สัตว์ที่เรากินเนี่ยเราออกจากท้อมาแล้วเนี่ยเร า, าก็ยังมากินตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันเนี่ยม า, ชาเช้ามากลางวันมาเย็นกินกันมากี่ตัวแล้วาสาตว์ศพวัวสัตว์ศพควายาสาตว์ศพเป็ดสัตว์ศพไก่สัตวศพกู้งหอยปูปลากินมากี่ตัวแล้วาาว่าเช้าถึงมือกลางวันมือเย็นกินมากี่ตัวไหนอะคือ ตัวเราคือร่างกายของเราคือตัวเราสัตว์ทั้งหลายที่เรากินไปกินเข้าไปกินเข้าไปตัง้งแตอยู่ในท้องแม่ดูดเอาน้าเลือดน้าเหลืองมันเข้าไปเรือไปเลี้ยงเราเนี่ยให้มันโตขึ้นมาโตขึ้นมาเนี่ยมันพูดได้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านชีวิตเนี่ยมันพูดได้มันจะบอกว่านเนี่ยเนี่ยของกูทั้งนั้นเนี่ยตัวมึงเนี่ยหาใช่ของมึงเลยตัวกูชีวิตกูต้องไปรู้กี่แสนชีวิตสองใบมึงชีวิตเดียวเนี่ยนึกกี่ดีนะ นี่คือความจริงในเราอ่ะเราอยู่ไหนในตัวเราอ่ะทราบพืชทาบสัตว์ทั้งนั้นทร า, า, า, าบศพวัวทาบศพควายทราบศพชีวิตเขามากมายกก่กอไหนตัวเราตัวเราอยู่ไหนอ่ะไหนว่าที่เราวันนี่คือตัวเราไอ้ความหลงเนี่ยที่เราไปยึดรอยตัวเราแต่ละชาติเนี่ยที่มันมันมันโถลมาแล้วพุดออกมามีเป็นสัตว์ปีกบ้างสองขาบ้างสีขาบ้างสัตว์เลื้อยคลานบ้างเป็นหนอตเป็นแมลงพุกนิด เป็นเป็กเป็นนื้อสุรกายกับอารกเป็นเทวดาเป็นมนุษย์รูปร่างต่างๆกันเนี่ยเราไปยึดเอาไอ้ตัวที่มันท้องมาแล้วเนี่ยที่มันโตมาแล้วเนี่ยเป็นตัวเราทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเราย้อนที่ไหนดีๆเนี่ยเป็นปัญญาของเราเราก็พอจะเข้าใจได้ว่าไม่มีเลยไหนตัวเรามันมาจากโน่นสเปิร์มตกไขต่ตั้งต้นกันมานู่นตัวเราไม่มีเลยไหนอะแล้วถามอยู่ด้วยว่าไหนตัวเราอยู่ตรงตัวเราอยู่ตรงไห น, น ตัวเรานั่นก็คือวิญญาณเนี่ยที่มันลอยเข้ามานี่วิญญาณและวิญญาณนี่ไม่ใช่เป็นผีวิญญาณนี่มันคือรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปพันณสัณฐานใดๆเลยมันเป็นอสรีลังที่มันได้แต่รู้แต่ตัวตนรูปร่างรูปพรรณสรณฐานมันไม่มีเลยมันไม่มีกิริยาการใดๆทั้งหมดมันคิดมันนึกมันตึกมันซองมันมีอารมณ์มีอะไรก็มันก็ไม่เป็นมันไม่มีอะไรเลยมันได้แต่รู้มันมีความรู้สึกมันคิดอารมณ์มีความตึกตซองอะไรมันก็ไม่เป็น มันได้แต่รู้อย่างเดียวมันไม่มีสามารถมีความรู้สึกหรือคิดอารมณ์ได้มันไม่รู้สึกผ่องใสได้ไม่รู้สึกเศร้าหมองได้เพราะมันไม่มีความรู้สึกใดมันทั้งไม่สว่างและก็ทั้งไม่มืดด้วยเพราะมันไม่มีอะไรเลยมันได้แต่รู้อย่างเดียวนั่นแน่คือเราแต่แแต่เราลืมไปเลยเราแน่น ค, คือความไม่มีตัวตนไม่ใช่เรามีตัวตน เราคือได้แต่รู้แต่ไม่มีตัวตนตัวตนของเราไม่มีเราเนี่ะได้แต่รู้แต่ตัว ต, วตนไม่มีแต่เราเนี่ยเราเรียบพูดภาษาสมมุติกันว่าคือเราแต่จริงๆมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นธรรมชาติของธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุได้แต่มารู้ว่าเนี่ยรับรู้สิ่งต่างๆได้รับรู้รูปรับรู้เสียงรับรู้กลิ่นรับรู้รสรับรู้สัมผัสรับรู้ ความรู้สึกม่คิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจมีความรู้ได้มีความรู้ได้แต่ตัวเขาไม่มีตัวตนแต่เขารู้ทุกสิ่งได้เขารู้ทุกสิ่งได้และรู้เนี่ยเขคิดไม่ได้รู้เนี่ยเข้าใจไม่ได้และรู้เนี่ยโง่ไม่ได้เพราะได้แต่รู้แต่ความโง่หรือความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่รู้เพราะว่ า, ว า, scale, ร, าวรู้เนี่ยมันไม่มีกิาการใดๆรู้เนี่ยมันจิงฉลาดไม่ได้โง่ไม่ได้มันได้แต่รู้ และตัวตนมันก็ไม่มีความฉลาดมันจึไม่ใช่รู้ความโง่จึงไม่ใช่รู้มันเป็นขันห้ามันคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งมาเสร็จแล้วพอมันมีผสมปรุงแต่งเสร็จจิตวิญญาณเข้ามาผสมมันก็เกิดเป็นน้ำขึ้นมาเป็นน้ำประขันขึ้นมาก็คือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาแล้วก็มีรูปร่างของขึ้นมาเป็นตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นในน้ำกับรูปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมา ขึ้นมาในชาตินี้มันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งมันมีสามารถมีความรู้สึกมีคิดอารมณ์ได้เราเรียกว่าขันห้าน้ำกับรูปเนี่ยเราเรียกว่าขันห้าขันห้าเลยสามารถมีความรู้สึกมีคิดอารมณ์มีความเดินสามารถเดินไปไหนมาไหนได้สามารถพูดคุยกันได้รับรู้ถึงความสื่อสารทำความเข้าใจกันได้แต่รู้นั้นไม่มีกิริยาการใดๆไดแ้แต่รู้คิดก็ไม่ได้ เข้าใจก็ไม่ได้ไม่เข้าใจก็ไม่ได้สติสมาธิปัญญาก็เป็นขันห้าตัวสติก็เป็นเป็นขันห้าเป็นสังขารในขันห้าสมาธิก็เป็นสังขารในขันห้าปัญญาก็เป็นสังขารในขันห้าไม่ใช่รู้เพราะรู้มันได้แต่รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆอย่างตรงไปตรงมาเขาไม่มีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจ เขาไม่ได้เลือกได้ว่าอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ชอบอย่างนี้ไม่ชอบเขาเลือกไม่ได้เพราะเขาไม่มีเครื่องมืออะไรเลยรู้นะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีเครื่องมืออะไรเลยมันจึงเลือกไม่ได้ว่าอย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่เอาจิตดีจะเอาไว้จิตไม่ดีจะไม่เอาอันนี้กุศลจะเอาไว้เอากุศลจะไม่เอารู้เนี่ยเขาเลือกไม่ได้ด้วยแล้วเขาก็คิดไม่ได้ว่าน Course, flavor, ี ion, be, be, ่มันคือกุศลนะกุศลนี่มันคือสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเขาคิดก็ไม่ได้แต่เขาได้แต่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในตัวเราในในจิตใจของเรา เขาได้จะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในตัวเราในจิตใจของเราแต่เขาจะเข้าไปช่วยจะเข้าไปเลือกจะเข้าไปคัดแยกจะคอยไปค่อยช่วยเหลือเขาทําไม่ได้เพราะเขาได้แต่รู้แต่สิ่งที่คอยช่วยเหลือตัวเราเนี่ยนะก็คือขันห้าคือสติสมาธิปัญญาคือความรู้สึกนึืคิดอารมณ์ที่สามารถช่วยตัวเราเมื่อเวลาเราทุกข์สามารถช่วยช่วยตัวเราให้ให้พ้นจากความทุกข์อ น, นั้นไปได้เราต้องอาศัยขันห้านี่แหละมาช่วยตัวเรา แต่เราอารู้เนี่ยมาช่วยตัวเราไม่ได้เพราะมันธรรมชาติของเขาเนี่ยได้แต่รู้เวลาเรามีความทุกข์มากๆเราก็ต้องอาศัยเครื่องมือคือขันห้าเนี่ยที่มันปรุงแต่งเสร็จแล้วเนี่ยมาช่วยตัวเราให้ตัวเราเนี่ยบนจับทุกข์เพราะทุกข์มากๆเราก็อย่าไปฆ่าอย่ถึงขั้นต้องฆ่าตัวตายแล้วก็หาทางทำยังไงให้เราเบาบางจับทุกข์ไปได้ไม่ต้องถึงขั้นซึมเศรา้าจนถึงฆ่าตัวตาย เราต้องอาศัยขันห้ามาช่วยทั้งหมดรู้เนี่ยมันได้แต่รู้เพราะวิญญาณเนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออะไรมันไม่สามารถไปช่วยตัวเราได้ตัวเราเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเราจริงจริงมันเราพูดถึงมาสมมุติพูดกันให้เข้าใจก็ให้ฟังกันทําไมไม่ใช่ภาษาพูดให้เข้าใจกันมันก็เลยไม่ไม่สามารถจะมาสื่อได้เราพูดว่าตัวเราแต่จริงๆมันไม่ใช่ตัวเราไอ้ขันห้ามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งแต่เราจริงๆนั่นแหละคือวิญ ญ, ญาณประธาต น, นะที่ลอยมาผสมที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลย เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้มันก็ง่ายขึ้นแล้วในการปฏิบัติเพราะอะไรเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อกับคื่อสู่ธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุเพื่อกับคื่อสู่อันนั้นว่าเราเนี่ยแน่คือใครเราเนี่ยค้นหาตัวเราให้เจอเราคือใครใครคือเรากันแน่ที่เราเนี่ในตัวเราเนี่ยเราก็คือใครในตัวเราเนี่ยเราเนี่ยคือใครใครเนี่ยคือตัวเราเนี่ยเราเนี่ยคือใครกันแน่ในตัวเราเนี่ยเราคือใคร เราจะอาจใช่ตัวเราที่มานั่งแบบนี้ไหมแต่เราแนี่ยคือวิญญาณหรือธาตุรู้นั้นมนุษย์นี่แน่และเทวาดาเนี่ยที่มีบุญวาสนาบา ร, รมีสัมผัสมาแก่ก้าแล้วพอที่จะมีสติปัญญาเนี่ยซึ่งอาศัยขันห้าเนี่ยอาศัยสติปัญญาที่เป็นส่วนที่เป็นจิตปรงแต่งเนี่ยมาทําความเข้าใจว่าเราเนี่ยคือแท้จริงคือใคร อย่างที่พวกท่านทั้งหลายกําลังพยายามทําความเข้าใจตามเราพูดนี้ว่าท่านต้องอาศัยขันห้าหรือเทวดาทั้งหลายก็ต้องอาศัยอาศัยกายที่เป็นโปร่งแสงที่เป็นขันห้าที่เป็นลักษณะกายโปร่งแสงแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทั้งหลายอาศัยสติปัญญาความรู้ความเข้าใจสามารถจะฟังทําเข้าใจได้เหมือนพวกท่านทั้งหลายได้ความเข้าใจต้องอาศัยตัว ตัวที่ปรุงแต่งคืออาศัยร่างกายที่ปรุงแต่งไม่จะเป็นกายหยาบหรือกายปร่งแสงแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ส่วนที่จิตที่เป็นปรุงแต่งซึ่งจะสามารถอาศัยสติปัญญาฟังแล้วทําความเข้าใจตามได้หรออ๋อแท้จรนะิงอ่ะไอ้ร่างกายไม่ว่าจะเป็นกายนืน้หรือกายปร่งแสงมันหาใช่ตัวนตนของเราไหมเพราะแม้แต่กายโปร่งแสงที่มันปรากฏขึ้นมาในสวรรค์แต่ละจันมันก็สามารถแตกดับทําลายไปแล้วก็ไปตกมาลบไปเป็นเป็นเป็นอสุสรกายไปเป็นสัตว์ประจานเปลี่ยนร่างไปได้อีก ร่างกายเทวดาจึงไม่ของไม่เที่ยงร่างกายเราเป็นของไม่เที่ยงร่างกายมนุษย์ทั้งหลายก็เป็นของไม่เที่ยงร่างกายของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นของไม่เที่ยงมันเดปตกอยู่ใต้กดแห่งความไม่เที่ยงต้องอาศัยสติปัญญาที่มีร่างกายคงแต่งขึ้นมาแต่ละร่างจึงจะสามารถเข้าใจได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นมีแต่มนุษย์และเทวดาเท่านั้น ที่จะสามารถมีสติปัญญาที่จะเข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงได้ว่าเราดั้งเดิมแท้ๆคือไขสัตว์เดรัจฉานหรือพบภูกิอื่นเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจได้สัตว์เดรัจฉานทุกประเภทไม่สามารถจะเข้าใจเข้าใจฟังธรรมแล้วเข้าใจได้ เพราะเขาไม่มีสติปัญญาพอที่จะฟังธรรมเข้าใจได้มีแต่มนุษย์และเทมดาเท่านั้นที่จะสามารถดึกพ้นได้บรรลุฟังธรรมและบรรลุพ้นไปได้ในภพชาติอื่นก็ไม่สามารถที่จะฟังธรรมรู้เรื่องเข้าใจได้ในภพของเปรตอสุรกายสัตว์โลกเขาทุกข์ยากลําบากมากเกินไปที่จะสามารถตั้งใจฟังธรรมให้เข้าใจได้เขามีความทุกข์ในภพของเขามันหนักหนาสาหัสเกินไป เหมือนกับนักโทษที่ถูกตีโซ่ตัวนัวอยู่กำลังจะถูกไฟเผากำลังจะสูกปราหางชีวิตจะฟังคำให้เข้าใจให้รู้วิผญาณได้ยากเพราะว่ามันตกอยู่ในความทุกข์แรงสาหัสจนไม่สามารถที่จะฟังอะไรรู้เรื่องส่วนสัตว์ในฉานก็ไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจทำอะไรได้มันฟังอะไรไม่รู้เรื่องมันได้แต่เออสั่งมันไม่ไลุกไหลไปนอนมันจะเข้าใจแค่นี้ไนงะ มันเข้าใจว่าโดนไล่มันโดนตีบ้างโดนอะไรมามันหลบเลี่ยงได้ตามสัญชาติญาณของมันแต่มันไม่สามารถฟังทำอะไรเข้าใจหรอกมันไม่รู้เรื่องมันฟังทำเข้าใจไม่เข้าใจได้อย่างเก่งมันได้แตะสัมผัสใจว่ามันเข้ามาในที่นี้แล้วมันสบายใจมดปวกแมลงหรือหมาแมวที่มันได้ยินเสียงฟังตอนทำแล้วมันเข้าใจมันก็รู้สึกว่าสบายใจมีความใจสบายแต่มันไม่รู้ว่าทำนั้นเนี่ย เขพูดเนี่ยเนี่ยมันลึกซึังขนาดไหนมันมันเป็นภาษาอะไรมันเข้าใจอย่างไงมันเป็นภาษาอะไรมันแปลสัญญาณภาษาไม่ออกว่าอันเนี้ยมันมันสามารถที่จะพูดเรื่องอะไรทําให้เราเข้าใจได้เพราะไมเขาเข้าใจได้อย่าว่าตะสัตว์เปลราชาเลยมนุษย์ในการยังพูดกันไม่ค่อยเข้าใจเลยนําภาษาให้กับสัตว์เปลรจชาเนี่ยพูดกันจะตายอยู่แล้วมันก็ยังไม่เข้าใจเออเราในเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐ คีอต้องฟังให้มันเข้าใจฟังมันให้เข้าใจพ่าเราแท้จริงเนี่ยคือใครหาเราให้พบเราเน่ยแ น, น, นย่คือธาตุดูหรือวิญญาณธาตุที่ไม่มีตนตนไม่มีจุกล่างไม่มีอะไรเลยไอ้ส่วนฐันหน้าที่มีร่างกายเนื้อหรือความรู้สึกมันคิดอารมณ์นนเนี่ะมันเป็นสิ่งที่มาปรุงแต่งเอาในชาตินี้ชาติต่อไปก็เปลี่ยนร่างใหม่ไปแล้วเปลี่ยนร่างใหม่ไปจําได้ไหมรู้ใหม่มีความรู้สึกมันคิดอารมณ์อย่างใหม่ไปมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันดับไปเรื่อยแต่เราได้แต่รู้ ได้แต่รู้ได้แต่รู้ทําอย่างไรเนี่ยเราจรึงไม่หลงยึดเอาไอ้ร่างกายเราเนี่ยที่มาฟังเราเนี่ยหรือพวกใดที่เอาจิตมาฟางังอ่ะที่เป็นจิตล้ลวนๆที่มาฟังมันก็เป็นส่วนจิตปุงแตง่งมันหาเจ้าธาตรู้ไหมจิตเนองก็เป็นจิตฝ่ายปุงแต่งที่สามารถฟังท<ๆ>ํารู้เรื่องเข้าใจได้เป็นฝ่ายปรุงแต่งไม่ใช่รู้ไม่ใช่ธาต ร, รู้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นวิญญาณธาตรู้ธาตรู้ซึ่งไม่มีตัวตนได้แต่รู้เขาไม่มีกิริยาการใดๆเลย ทำไงจริงจ้สิ้นความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายหยาบสิ้นความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายโปร่งแงสงสิ้นความยึดมั่นถือมั่นในจิตที่ปรุงแต่งคือความรู้สึกหรือคอารมณ์ตั้งแต่มนษษุษย์เทวดาที่เป็นที่มีรูปร่างและอารมูปปลมที่มีจิตปรุงแต่งคือเป็นความรู้สึกหรือิดอารมณ์แม้แต่อารูปปลมที่ไม่มีกายหยาบและกายปร่งแสงแต่ก็มีจิตที่มีความรู้สึกหรือารมณ์มิตรจิตที่มีความรู้สึกหรือิดอารมณ์ที่สามารถไปในทุกที่ขอ ง, ของจักรวาล เพราะมีแต่จิตดวงเดียวไม่มีร่างกายแต่ก็จิตนั่นแหละก็เป็นความรู้สึกไมก่คิดอารมณ์และก็มีรู้ท่านอย่างไรล้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงจะเข้าใจได้ว่าเราเนี่ยนั่นคือรู้นั้นไม่ใช่ว่าคือสิ่งที่ส่วนที่ปรงแต่งคือกายหยาบกายโปร่งแสงและจิตที่มีความรู้สึกไ ม, ม่คิดอารมณ์เพียงท่านเข้าใจแบบนี้ท่านพ้นพบตัวของท่านเองว่าเราคือรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรท่าอย่างไรล่ะมันจึงสิ้นยึด ร่างกายที่มานั่งฟังธรรมเราเนี่ยนี่คือตัวเราและไอ้ร่างกายที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยนี่คือตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือเราคือตัวน like so <Ja. Wow. S 1> ี yani ้เราคือตัวที่กําลังนั่งฟังธรรมอยู่นี้หรือตัวที่กําลังมาฟังธรรมอยู่นี้หรือเราจิตคือจิตผู้กําลังมาฟังธรรมอยู่นี้เราไม่ยึดเอากายแล้วมายึดเอาจิตว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือเราเป็นกายนี้หรือเราคือจิตนี้จิตนี้คือตัวตนของเราหรือกายนี้คือตัวตนของเราไม่ยึดทางกายไม่ยึดทางจิต มันก็จะเป็นธรรมชาติของธาตุรู้โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นการยึดเมื่อไรเราสิ้นการยึดทั้งกายและจิตมันก็จะสิ้นการยึดทุกอย่างในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าร่างกายของใครก็ไม่ยึดทั้งหมดเพราะมันไม่มีผู้ยึดเมื่อสิ้นตัวตนของผู้ยึดไม่มีตัวตนของผู้ยึดมันก็จะมายึดอะไรเลยในโลกนี้ไม่มีอะไรในโลกนี้จะมีผู้ไปยึดไม่มีอีกเพราะนั้นความสิ้นยึดมันก็คือสิ้นยึดจากร่างกายใจของเรานี่แหละมันต้องไม่เข้าไปยึด ร่างกายใจิตใจของเราทุกความรู้สึกเมื่อคิดอารมณ์ทุกขณะปัจจุบันว่านี่คือเราคือตัวเราคือตัวตนของเราเพราะเราคือวิญญาณกฐา น, นั้นซึ่งไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรนี่แน่พิภายยะเป็นคารวาะและบาลูกยบุตรไปกลับเรียนถามพระพุทธเจ้าว่วาทำอย่างไรถึงจะบรรลุพระนิพพานพระพุทธเจ้ากลับว่าจงฟังให้ดีถ้าเธอเห็นจักตวะเห็น ได้ยินสักว์ตะวันได้ยินได้กินสัตว์ตะวันได้กินรู้รสสัตว์ตะวันรู้รสสัมผัสทางกายสัตว์ตะวันสัมผัสมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีธรรมอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจสัตว์ตะวันรู้แจ้งนั่นแหละเธอจะบรุคพันิชพานจะไม่มีตัวตนของเธอในขณะมีการกระท บ, บมีการสัมผัสกันในขณะปัจจุบนันทุกขณะปัจจุบนันในภพภูมิไหนในภพชาติไหนก็จะไม่มีตัวตนของเธอ เธอจะสิ้นทุกบรรพานิพานสักแต่ว่าทาไมสักแต่ว่าจะเป็นพนิพานธ์หรือบรรพานก็เพราะว่าเมื่อสักแต่ว่าก็บอกว่าไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยสักแต่ว่ารู้รับรู้รับทราบตั้ตาหูจมูกลิ้นกายใจในร่างกายจิตใจของเราที่ม <vont> ีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมาภายในร่างกายเราภายในจิตใจของเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมาในแต่ละขณะกิตปัจจุบันก็สักแต่ว่ารู้เมื่อสักแต่ว่ารู้แล้วมันก็คือไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น ไม่เข้าไปเกียดไม่เข้าไปชังไม่เข้าไปดิ้นรนผักใสไม่ติดไปกับสิ่งนั้นว่ามีตัวเราติดไปกับสิ่งใดหรือจะมีตัวเราพยายามออกมาจากสิ่งใดแต่แต่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจทุกความรู้สึกมือคิดอารมณ์ก็คือไม่ติดจิตไปเมื่อไม่ติดจิตไปก็คือเท่ากับละจิตได้หมดแล้วเมื่อละจิตได้หมดก็ไม่มีผู้ไปสวยจิตไม่มีผู้ไปจิตจิตไม่มีผู้ไปรองรับกิยาการจิตทุกขณะปัจจุบันก็จะไม่มีผู้มารับมายึดมั่นถือมั่นร่างกายตนไม่มีผู้ไปยึดมั่นถือ ก็จะสิ้นผู้ยึดบ้านถึงบั่นเมื่อสิ้นผู้ยึดมั่นถึงมั่นมนก็สิ้นทุกสิ้นกิเลสนี่นแหละเขาเรียกว่าพระอารหันต์หรือพันิพานนี่คือพุทธพจน์ที่พระองค์ตัดเอาไว้เราต้องเข้าใจถึงธรรมชาติแท้ๆมันจะปฏิบัติให้ถึงพุทธพจน์นี้ได้ทำแท้ๆก็คือธรรมชาติแท้ๆนี่เองไม่ได้แบบมีอะไรลึกลับซับซ้อนอะไรเป็นธรรมชาติที่พุทธเจ้า คนพบว่าเมื่อไรที่เราเป็นธรรมชาติแต่แท้ที่สิ้นความยึดมั่นถือมัน่นมันก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเพราะธรรมชาติเขาไม่ปรุงแต่งดินเขาก็ไม่ได้มีกิเลสต่อน้ําน้ําก็ไม่ได้มีกิเลสต่อต่อความร้อนต่อแสงสว่างพระอาทิตย์พระอาทิตย์ไฟก็ไม่มีความไม่มีกิเลสต่อต่อสิ่งใดทั้งดินน้ําลมไปเขาก็มีแต่ประโยชน์ที่ให้ มีแต่คุณประโยชน์แต่เขาไม่ยึดซึ่งกันและกันเลยธรรมชาติทั้งหมดมีแต่ให้ประโยชน์แต่ไม่ยึดซึ่งกันและกันให้เกิดการมาติหาลาะความโลภ ก, ก็ไม่มีในดินน้ำลมไปในอากาศสาตวไม่มีความโลภต่อกันไม่มีกิเลสการมติหาลาภะต่อกันไม่มีความเกลียดชังความอาแคตแค้นพยาบาทไม่มีความลุ่มหลงในสิ่งใดไม่มี ธรรมชาติเขาอยู่ดออ้วยกันเพื่ออำนวยกันความร้อนจากพระอาทิตย์ก็ให้ความอบอุ่นให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งที่มีความอบให้กำเนิดพืชสัตว์ทั้งหลายให้มีสามารถมีชีวิตยอยู่ได้ให้กำเนิดไม่ได้หมายถึงเป็นผู้สร้างแต่ให้ทั้งพืชและสัตว์ทั้งหลายทุกชีวิตมีชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดพระอาทิตย์ไปความร้อนไม่มีมันก็ตายไปหมดสิ่ง ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ลมก็ให้พัดพามาให้ความล่มเย็นให้อากาศถาดดินก็ให้ที่อยู่อาศัยให้พืชและสัตว์ได้อาศัยมันงอกมาให้เราได้กินทั้งพืชทั้งผักเราจะมีชีวิตอยู่ได้ถาดน้ำก็ทำให้เราได้กินทุกวันเนี่ยเขาก็ามาถวายนี่ เราไม่กินน้ำเข้าไปก็ตายแล้วสัตว์ทั้งหลายไม่กินน้ำเข้าไปก็ตายพืชทั้งหลายไม่กินน้ำเข้าไปก็ตายธรรมชาติ ท, ท, ทั้งหลายก็าให้แต่คุณประโยชน์แต่เขาไม่มีกิเลสต่อกันในถาตเหล่านั้นก็ไม่มีกิเลสต่อกันเลยเพราะไม่มีการยึดกันไม่มีความโลภที่กูจะเอากูจะกูจะเอากูจะเอากูจะเอามีแต่มามังการอาหารการตัวตนใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆกูจะเอากูจะเอา ผมมีความรู dues, ้มากเข้าใจมากก็มีกูเก่งมากขึ้นกูเก่งมากขึ้นกูเก่งมากขึ้นมีแต่กูเก่งกูรู้มากกูเก่งมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่กิเลสไม่ได้ลดลงความยึดไม่ได้ลดลงเลยความโลภจะเอาก็ม่ได้ลดลงเลยกูจะเอากูจะเอาไม่แต่ความโลภไม่แต่ความไม่พอใจมันติดอยู่เต็มไปหมดเลย มันไม่ได้ลดลงไปเลยความโลภก็ไม่พอใจเพราะอะไรมันมีตัวตนมีตัวกูกูจะเอากูจะเอากูไม่พอใจกูบุญปีตกูลำคาญคนนั้นคนนี้กูไม่พอใจคนนั้นคนนี้มันมีแต่กูกูกูกูจะเอากูจะเอากูอยากได้กูจะเอาไม่ได้อย่างใจกูกรขัดเคลือนใจนี่มันไม่ได้เป็นธรรมชาติที่แท้จริงในธรรมชาติที่แท้จริงเขามีแต่คุณประโยชน์ ก็มีแต่ให้พอาทิตย์ก็ให้แสงสว่างผูทั่โวโลกัู้จั ก, กรว า, าลธาตลมธาตน้ำํำธานไุไฟก็มีแต่ประโยชน์ให้คุณประโยชน์แต่เขาไม่มีกูจะเอากูจะเอามีแต่สรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่เผาผลาญธรรมชาติหมดทําลายธรรมชาติหมดเพราะกูจะเอากูจะเอาแย่งกินโลกกันทําลายป่าไม้ภูเขาลาบเรี่ยมนี่แหละกิเลสของคนของสรรพสัตว์ทั้งหลายมันมีแต่กิเลส มันเลยกลับตายแล้วกับกลืนกัธรรมชาตินี่ได้เพราะอะไรในร่างกายของเราเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็เป็นธรรมชาติส่วนจิตใจมันก็เป็นธาตุู้หรือวิญญาณธาตุจะเป็นความว่างเปล่ามันก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนแต่เราเนี่ยตั้งร่างกายจิตใจมันเป็นธรรมชาติเนอแต่เราเนี่ยมันกลับเป็นความแตกต่างผิดจากธรรมชาติ มันกลายเป็นเมื่อเป็นเด็กไรเดียงสาก็ไม่การมาตั้หาราคาอยากร่วมประเวณีกับใครก็ไม่มีจะโกรธแค้นแค้นเคืองค้างคาใจปูกใจเจ็บราคาพยาบาทก็ไม่มีความโลภอยากได้อยากเอาอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเอาให้มากอยากเอาอยากเอาอยากเอาก็ไม่มีความลุ่มหลงสิ่งใดก็ไม่มีพอรู้ว่าจาขึ้นมามันเอาทุกอย่างก่อป่วยทุกอย่างอยากได้อยากมีอยากเป็นมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยนี่สม่จริ เราปฏิบัติมาปฏิบัติเพื่อกลับคื้นไปสู่ความไม่ความสิ้นความโลมความโกรธความหลงคือความไม่มีอะไรอยู่ในใจไปสิ้นความคิดมันถือมัน่นเราจะได้กลับคืนสู่ธรรมชาติตายแล้วดินก็จะไปดินเผาแล้วูุฟังสลายไปเผาแล้วไอ้ส่วนที่เป็นของแข็งก็เป็นขี้เถ้าเป็นธุรีไปเขาก็าไปร้อยอังคาร น้ำมันกระจัดมาหรือเขาก็ดูดทรายมาถมถนนถมบ้านคนไปเหยียบย่าไปมาแ น, น, น่คือสังขารร่างกายเราไม่รู้กี่ผมกที่ชาติที่มันกองเข้าวภูเขาเนี่ยเมื่อก่อนในโลกมันมีแต่น้ําเดี๋ยวนี้มันมีแผ่นดินสูงขึ้นกับร่างกายสังขารพวกเราทั้งหลายนั่นแหละที่มันมีมากขึ้นมาถ่านน้ําพอตายแล้วมันก็เน่าถ่านน้ามันกน็เลยเป็นหมดสิ้นบางส่วนมันก็เน่าซึมไปในดินมันก็กลับคืนสู่ธรรมชาติไป ดินก็กลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นดินที่ เ, Gobierno เขาเหยียบย่ำไปครับปุ๊ให้สาพืชสาสั์ได้ได้ได้ดูดเป็นสารอาหารเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในล่างของคนทั่วไปสารอาหารที่ดูดเข้าไปไปอยู่ในล่างคนอื่นต่อไปเนี่ยเราก็กินล่างของคนอื่นมาไม่รู้กี่ล่างแล้วแล้วกินทั้งที่เป็นเป็นกินที่นี่มันมันมันตายสัตว์ที่เป็นเป็นแล้วมันตายมาเราก็กินอีกต้งพืชที่ดูดต่อมาเราก็กินเขาไปอีกเรากินไม่รู้ไม่รู้กี่ล่างของมนุษย์มาเยอะแยะมากมายแล้ว ที่มันดูดออกมาเป็นเลี้ยงเลี้ยงพืชเลี้ยงใบเลี้ยงลูกเนี่ยแล้วเราก็กินมันมานมันก็มาจากสางศพมีจักรธาตุภพันตุหนาแน่นเนี่ยที่ตายแล้วหลายภพหลายชาติเมื่อสิ้นความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็เลยร่างกายมันก็เลยบริสุทธิ์จิตเดิมแท้ๆหรือวิญญาณธาตแท้ๆมันก็เลยแบบบริสุทธิ์บริสุทธิ์คืออะไรมันก็เป็นเพียงแค่ธาตุเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นร่างกายสี่ธาตุ แล้วก็ส่วนจิตวิญญาณก็เป็นธาตุรู้ชื่อว่างเปล่าในธาตุทั้งหมดทั้งร่างกายและจิตใจมันไม่มีใครยึดซึ่งกันละกันมันไม่มีใครยึดในเป็นกิเลสเป็นความโลภความโกรธความหลมเป็นพิฐีมานะว่ากูรู้มากกูเก่งมากกูเก่งกว่าใครกูฉลาดกว่าใครมันไม่มีในธาตุเหล่านี้ไม่มีเลยในธาตุของร่างกายดินน้ำลมไฟในธาตุรู้หรือธาตุคิตเดิมแต่แท้ก็เป็นธาตุว่างเปล่า เมื่อสิ้นความยึดมั่นหรือมั่นสิ้นกิเลสมันก็เลยกลับเหลือแต่ธาตุที่เป็นธาตุไปสุดร่างกายดินน้ำลมไฟก็เลยกลับเป็นธาตุที่ไปสุดคือธาตุที่ไปสุดก็คืออะไรก็คือกลับไปเป็นธาตุตามปกติของเขาที่มีการยึดมั่นหรือมั่นสิ้นกันละกันส่วนจิตหรือธาตุรู้จิตเดินไปแท้หรือธาตุรู้ก็เป็นความว่างมันก็เลยเป็นความว่างที่ไม่ไม่ยึดอะไรได้ส่วนดินน้ำลมไฟก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟที่คงเป็นดินน้ำลมไฟอยู่ตัแต่ยังไม่ตาย แต่มันก็ไม่ไปยึดอะไึ่งกันละกันส่วนธาตุรู้ก็เป็นความว่างมันก็ไม่ไปยึดอะไรซึ่งกันละกันมันก็เลยอยู่กันห้าธาตุดินน้ําลมไฟเป็นร่างกายส่วนธาตุจิตเดิมต่แกฉหรือวิญญาแต่แ้มันเป็นความว่างก็เลยเป็นห้าธาตุมันไม่มีความยึดซึ่งกันละกันมันก็เลยจะเป็นธรรมชาติตามปกติของเขาคือธาตุตามปกติของเขาดินน้ําลมไฟอากาศธาตุเขาไม่ได้ยึดซึ่งกันละกัน พระพุทธเจา้าพระลาวทั้งหลายชีวิตที่มีอยู่ที่เหลืออยู่จึงให้แต่คุณประโยชน์แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดแล้วมีแต่ธาตุทีท่บริสุทธิ์คือดินน้ําลมไฟเป็นธาตุทีท่บริสุทธิ์แล้วก็ธาตุจิตวิญ ญ, ญาณธาตุดั้งเดิมแต้แฉเป็นแต่ความว่างมันก็เลยเป็นความบริสุทธิ์ไอความบริสุทธิ์ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าต้องไปทําอะไรให้มันบริสุทธิ์อะไรหรอกคือมันกลับไปเป็นธาตุตามปกติที่มันไม่ยึด ม, มั่นถือมั่นซึ่งใดและกันซึ่งเดิมมันก็เป็นธาตุที่ไมชาติ เขาไม่ย we right. <Yes. S 1> ึดม <Yes. S 1> ั่นถือมั่นซึ่งกันเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งกันและกันแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกแล้วมันก็เลยเราเรีย้เลยกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติคือกลายเป็นธาตุดินตับหนึ่งเดียวกับธาตุดินหนึ่งเดียวกับธาตุน้ําหนึ่งเดียวกับธาตุลมหนึ่งเดียวกับธาตุไฟและหนึ่งเดียวกับธาตุว่างของจักรวาลนี่เนี่ที่พระเจ้าตัดถ้าใครดูหนังในพระเจ้าหมาตัดสตาโลกที่พระเจ้าตัดกับที่กุยเดเช ถามอุทกดาบทอาจารย์องค์สุดท้ายว่าขนาดเข้าฌานสมาบัติได้จนถึงฌานที่แปดแล้วทําไมมันยังทุกข์อีกเมื่อออกจากฌานมาแล้วทําไมมันว่างเปล่าแต่ในฌานเมื่อออกจากฌานมาแล้วทําไมมันยังทุกข์อีกอะ่ะมันมีอุนทางไหมเน่ยที่ว่าจะไม่ทุกข์เลยอุทกกระดาบทว่ามีอยู่หุนทางนั้น คือเราต้องไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่มมีการเปลี่ยนแปลงเราจึงจะคนจับทุกได้แต่อุโทปดาบ ว, าว่าเราเองก็ยังไม่สัมผัสเห็นตรงนั้นเลยพระเจ้าจึงไปค้นคพบและได้กลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดกาล สิ้นความยึดมั่นหรือมัน่นสิ้นความเป็นตัวเป็นตนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในยามแรกคือละลึกชาติได้ไม่มีที่จบสิ้นทั้งทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสรรพสัตว์ตตทั้งหมดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดละลึกชาติได้ไม่มีวันสิ้นสึ้นในชาติแรกในในยามแรกในคืนที่วิสาขบูชา ยามแรกสามารถระลึกชาติของตนเองได้ลและสัตวสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดจึงรู้ว่าทุกชีวิตมีการตายแล้วยังมีการเกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเวียนปลหาจุดต้นจุดไปลายไม่เจอไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอนันตาการกองกระดูกของเวียนสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่เวียนตายเวียนเกิดกองใหญ่โตเท่าภูเขาเหลกาคนคนเดียวนะเราคนคนเดียวตายเกิดเกิดตายเนี่ยกองเท่าภูเขาเหลากา น้ำตาเนี่ยที่มันไหลเหนือง น, นองออกมาเพราะความทุกข์เสียใจยเนี่ยของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้ามันไม่เหือยดแห้งไปความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนตายเปนเกิดเนี่ยน้ำตาเนือนนอน่องนองที่ร้องไห้ออกมาเนี่ยเพรความทุกข์เนี่ยมากกว่าน้ําในท้องทะเลมหาสมุทรทั้งสี่ที่มารวมกันเนี่ยความทุกข์มันขนาดไหนและเวียนตายเปลนเกิดมากมายขนาดไหนเราเป็นมหมดแล้ว นี่คือยามแรกที่พุทธเจ้าตัดสรู้ยามที่สองก็ตัดสัตย์รู้ยามแรกคือบุเพนิวาสารุสติยาและลิขชาติได้มีที่ิทำตนเองแนะพูดเองยามที่สองก็ตัดสรู้ยูตูปปาตายานคือรู้เหตุควงความเวียนว่ายตายเกิดของสรพพสัตตังหลายว่าทํากรรมอย่างนี้ไปเกิดเป็นอย่างการทํากรรมดีอย่างนี้ไปเกิดเป็นอย่างนี้น การไปไปเกิดแต่ละแต่ละที่เกิดแต่ละครัง้งแต่ละอย่างเนี่ยมีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันมีความทุกข์ยากลําบากครับแค้นไม่เหมือนกันมีความสุขความสบายความเจริญรุ่งเรืองไม่เหมือนกันเพราะว่ากรรมดีและกรรมชั่วที่ทําแตกต่างกัน เ, เลยรู้ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นไปนตามกรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปทําให้เวียนตายเวียนเกิดมีความทุกข์โศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจที่มีความตกต่าลงและมีความเจริญรุ่งเรือง ไปเกิดในภพภูมิที่แตกต่างกันไปเปลี่ยนไปเกิดภพนั้นภพนี้ตามสูงสัมตามไปก็เป็นไปตามกรรมดีและกรรมชั่วที่ทํานี่เองไม่มีเหตุใจเป็นตัวส่งไปกรรมดีและกรรมชั่วนี่เองเป็นตัวส่งผลให้เป็นไปที่เกิดมาแล้วมีความแตกต่างกันมีความผาสุกแตกต่างกันมีความลำรวนมีความเจริญแตกต่างกันมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสตริรจฉาเปตุสุรากายจตนาลกปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างต่างแตกต่างกันมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันก็เพราะเนี่ยกรรมดีและกรรมชั่วเท่านั้นเป็นตัวส่งผล ยังอื่ไม่มีทุกอย่างสัพพะทั้งหลายล้วนเป็นไปตามกรรมกรรมบูนาวัตติโลโกสัพพะทั้งหลายล้วนเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นเยนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นที่พื้นอาศัยทํากรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมอันนั้นโดยแน่นอนไม่ว่าจะทํากรรมเล็กหรือกรรมใหญ่ไม่อาจจะหลีกหนีผน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 เป็นปัจจัยเกิดสลายยศสนะคือตาอุจมูกลินกายใจขึ้นมาสลายยศนะเป็นเหตุปัจจัยเกิดภาษาภาษาคือมีการเห็นมีการได้ยินมีการได้กลิ่นมีการรู้รสมีการรู้สัมผัสมีการรู้ทำอารมณ์คือรู้ความรู้สึกมันคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจทุกขณะปัจจุบันเพราะภาษาเป็นปัจจัยจริงเขาให้เกิดเวทนาเวทนาคือความรู้สึกกระทบสิ่งใดแล้วไม่ว่าจะกระทบดวงตาหุจมุลินไก่ใจจะต้องเกิดเวทนาคือ มีความถูกใจไม่ถูกใจและเป็นกลางๆสิ่งใดที่ชอบใจที่พอใจก็จะรู้สึกเป็นสุขเวทนาสิ่งใดไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็จะรู้สึกเป็นทุกขเวทนาสิ่งใดที่ไม่ได้เกิดความรู้สึกถึงกับชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นกลางๆก็เป็นอัตุกรมสุขเวทนาอย่างเราเข้ามาอยู่ในห้องเนี้ยเรารู้สึกว่าห้องเนี้ยพอตาเรามองเห็นแล้วมันสะอาดห้องเนี้ยมันสะอาดสะอาดพอตาเราก็ทบว่ามันสะอาดเราก็รู้สึกว่าสบายใจนี่แหละคือสุขเวทนา การกระทบมันจะต้องสุขเวทน า, น า, านทุกขเวทนาเลขาเอ่ออทุกขประทุเวทนาเนี่ยมันจะต้องเกิดทุกขณะมีการกระทบต่างต่างก็จะมีิ้นกายใจเพราะความเราไม่รู้ต่อสัตวแบบ น, นี้พอเกิดสิ่งที่กระทบและถูกใจพอเริ่มรู้เดียงสาเกิดสิ่งที่กระทบก็ถูกใจพอถูกใจแล้วก็อยากจะให้มันได้เห็นได้ยินได้ได้ลิ้มรสได้กินได้สัมผัสได้เจพกับสิ่งที่ถูกใจอยู่อย่างนั้นไม่อยากให้มันหายไป และไปลังเกียดสิ่งที่ไม่ถูกใจแต่ธรรมชาติเนีย่ยทุกการกระทบจะต้องมีสิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็เป็นกลางๆจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาทุกนิการกระทบแต่ความไม่รู้ต่อทานความจริงอันนี้ของขันห้ามันก็เลยมีการยึดพอเริ่มรู้เรียงสาก็เริ่มยึดทันทีว่าสิ่งใดที่ถูกใจกูจะเอากูจะเอาให้มากมากูจะเอาให้มากมากสิ่งใดที่ไม่ถูกใจกูจะต้องทําลายมันกูจะต้องฆ่ามันกูจะต้องทําลายมันสู้ไม่ไหวก็จะหนีไป ลองให้ขับแทนใจทุกใจความลุ่มหลงเลยเกิดขึ้นมากมายเพราะความไม่รู้นี่เนี่ยมันเลยเกิดตัณหาคือกันมีความโลภมีความโกรธความหลงขึ้นมามีกิเลสตัณหาขึ้นมาพอมีกิเลสกันหาเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีอุปทานคือความเข้าไปยึดเอาให้มากเขาไว้สร้างสมให้มากเขาไว้มันอุปทานจริงแต่ที่ชอบก็จะต้องเอาให้มากเขาไว้ สิ่งใดที่ไม่ชอบมูต้องจัด ก, การมันให้ได้มันก็เลยมีชอบมีชังที่มากขึ้นมากขึ้นเพราะอุปท า, านเป็นปัจจัยยั่งทําให้เกิดเนี่ยพบนี่ไงคือการสร้างพบขึ้นมาในใจคือเตรียมพร้อมที่จะไปเกิดพบพบนั้นๆคือพบที่สร้างึ้นมันในใจก่อนแล้วเตรียมที่จะไปแล้วถ้ามีความทุกข์มากๆมันจะเตรียมจะไปนรกแล้วถ้ามีความโลภมาก มันก็เตรียมจะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอนุสรกายแล้วแต่ถ้ามันหมกมุ่นแต่ในการมาตัญหาราคะมีความเนรคุณผู้มีพระคุณมันก็เตรียมที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมันเตรียมจะไปแล้วมันเตรียมจะไปแล้วแต่ถ้าไปในบุญกุศลใจมีแต่บุญกุศลมีแต่ความดีมีแต่บุญกุศลจิตใจเบาใจสบายมีแต่บุญกุศลมีแต่ให้มีแต่ให้มีแต่ให้ ไม่ได้หวังจะเอาอะไรจากใครวิจะให้ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากผู้ใดเป็นการให้แบบวันเบให้ความช่วยเหลือให้น้ำใจให้ทุกอย่างที่เราควรจะให้ได้ที่มันเหมาะสมการให้ไม่ได้หมายถึงว่าทานไม่ได้หรอกหมายถึงว่าให้เงินให้ทองให้ทรัพย์สินนะมันก็ถูกเขาหลอกว่าต้องให้มากมากที่จะร่ํารวยให้มากมากที่จะเป็นโสดาสกัดสาานาคาราหันต้องให้หลายล้านให้จนหมดเรื้อหมดตัว แล้วถูกเขาหลอกว่าเขาสร้างเครื่องรางของขามสร้างป้าอะไรต่างๆดูทรัพย์องค์ละหลายแสนซื้อมาทีตั้งหลายล้านมันจะมาดูทรัพย์คนอื่นเพราความโลภไปถูกเขหลอกไปหมดเลยความโลภแล้วก็ซื้อมาตั้งหลายล้านเราถามแล้วซื้อกี่องค์ซื้อมากี่อย่างซื้อมาทั้งหมดไปตั้งหลายล้านถูกเขาหลอกมากมายกายกองจะไปสวรรค์ก็ต้องตีตั๋ว จะไปพุทธเจ้าก็ต้องทําพาสปอร์ตหมดเงินหมดท้องต้องสามแสนสี่แสนห้าแสนเนี่ยอะไรเราว่ามันจะพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็มีอยู่คําสอนก็มีอยู่หลักธรรมคาสอนก็มีอยู่เราว่ามันจะเป็นบ้าเป็นหลังกันใหญ่แล้ว อ, อะไรตุ๊กตาอะไรพลาสติกเอามาอุ้มลูกเทพลูกเทอาไปเลยมากมายไก่กองเทพอะไรมันจะไปอยู่ในตุ๊กตาสิ่งห้คนเออ อุ้มไปอุ้มมาเทพอยากจะมาฟังธรรมยังไม่มาเลยสามว่าทำไมเทพเทวดาเนี่ยจึงเลือกจะมาฟังธรรมหลังจากมนุษย์หลับหมดแล้วแล้วก็ลงมาบอกว่าทนเหมน็นสาบมนุษย์ไม่ไหวก็จะมาสิงตุ ก, กตายคนอุ้มไปอุ้มมาไงเนี่ ย, ยงลูกปู่มั่นพลินาโตถามว่าทำไมเทพเทวดาหรือเวลาจะมาเข้าเฝ้าพพุทธเจ้ามากันตอนที่คนหลับหมดแล้วแล้วจึงมาบอกทนเหมน็นสาบเหม็นสาบมนุษย์ไม่ไหวบอกว่าเหม็นสาบเหม็นสาบยังไงก็เหมือนกับว่า เวลาเรานั่งอยู่เนี่ยมีหมาตัวหนึ่งไปกินไใ้ไปกินซากไปกัดไก่ตายหรือกินอะไรแล้วกินซากเน่าเน่ามาเาแล้วก็มาอยู่ใต้ขุนตรงที่เราเรานั่งอยู่มันอยู่ใต้เตียงตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันเหม็นขนาดไหนนะเคยไหมนั่นแน่มันเหม็นขนาดนั้นแน่เพราะอะไรคนมันกินแต่ซากศพวัวซากศพควายซากศพเป็ดซากศพไก่ซากศพกุ้งหอยปูปลามันกินอยู่ตลอดเวลาเลยมื้อเช้ามื้อกลาง ว, านวันมื้อเย็น มันเหม็นเหมือนกับมาเหมือนก้อนมาไปกินไห้หมาเ <jaar. S 1> น travel, o, ่ามาไปกินไอ้ซากไก่ท้องเน่าไปกินซากสัตว์เน่าเนมาเราเนี่ยเวลาเราตั้งอยู่บนแพร่นั่งบนอะไรมาไปกินอะไรนองเน่ามาเนี่ยมันเข้ามาได้ดูเนี่ยโอ้โหเราจะทนไม่ไหวเลยเหม็นจริงๆกัต้องไล่ทีมเราไปไกลๆมันเหม็นมากเลยเหม็นเน่ามากแน่ๆเทวดาเนี่ยมันทนอยู่กับเราไม่ไหวหรอกเพราะว่าเราแต่ละคนกินแต่ซากพืชซากศพของสัตว์เน่าเน่าทั้งนั้นเลย ในร่างกายในท้องเรามีแต่ซากศพที่น้าเน่าดังนั้นเนี่ยลองขี่เอาไวติดลองถ่าจะเล่ามาเหม็นเน่าดังนั้นเนี่มันหอมเมื่อไหร่นั่นแนะเทวดาคนไม่ไหวแล้วจะมาเทวดาอะไรมาสิงไงตุกตายางไอ้ตุกต า, ามัาจะสิอะไรให้ควนอุ้มไปอุ้มมามันจะลงมาฟังเทวดาก็จะลงมาฟังทำก็นยังไม่มาเลยมันเหม็นเน่าซะขนาดนี้มันผีดังนั้นเนี่ะเออวิญญาณต่างๆที่มันเข้ามาสิงกับผีดังนั้นเนีเ่ยเขาจะสามารถทำมาสิงได้จริงเนี่ยผีดังนั้นเน่ยแล้วก็ไปเลี้ยงผี แล้วตายแล้วไปเป็นทาสของผีขอนั่นขอนี่ผีมันก็เอา้าให้ผีไปหาให้แล้วตายแล้วผีมันก็ชอบที่ว่าเออเดี๋ยวจะมีคนมาแทนแล้วกูจะได้ไปเกิดสักทีแล้วไอ้คนขอก็ไปตายเป็นผีไปเฝ้าอยู่ตามที่ต่างๆไปเฝ้าในทุกตาไปเฝ้าตามที่ไอ้ผู้สถาทที่ไปขอไปแทนผีมันก็ชอบใจเพราะว่าเออเดี๋ยวจะได้มาแทนกูสักทีกูจะไปแล้วมีคนมาแทนเราไปเป็นทาสเขาเองเนอะเป็นคนอยู่ดีๆที่จเจริญกว่าผีมีสติปัญญาที่จะพ้นทุกข์ได้ แล้วไปเป็นผีไปเป็นทาสของผีไปขอเขาขอโ น, ออ น, ออ น, ออน่นอ้อนนวลอ้อนนี่ที่สุดแล้วผีมันก็ให้ไปหามาให้เท่าที่มันจะหายได้แล้วก็มันก็รอว่าเออเดี๋ยวเองตายมา่อไหร่เองก็มาแทนทาสประถิคาจะได้ไดเปเกิดประถิเพราะคาดทนทุกทรมานแต่สาหัสนะเราก็าไปเป็นผีแล้วเขาก็ไปจากเราเห็นแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นพุทธศาสนาอย่างไงพุทธศาสนาสอนให้คนมีสติปัญญา แต่จำไม้ยิ่เป็นพุทธศาสนามันขาดสติปัญญาการใจมากขึ้นเรื่อยๆทาไมมันจะเป็นอย่างนี้ล่ะพุทธศาสนาสอนให้ปีสติปัญญาให้รู้จักเหตุรู้จักผลให้รู้จักผลรู้จักเหตุอืให้รู้จักเหตุรู้จักผลเหตุเพราะเหตุเป็นอย่างนี้ผลก็เลยเกิดอย่างนี้เพราะเหตุเกิดผลก็เลยเกิดเพราะเหตุนี้ดับผลก็เลยดับนี่คือหลักธรรมคาสอนของพระเจ้าให้เข้าใจในเรื่องเหตุและผลว่าเพราะเหตุอย่างนี้เกิดผลอย่างนี้จึงเกิด เพราะเหตุ oh, อย่างนี้ดับผลอย่างนี้จึงดับเพราะผลทั้งหลายมันเกิดแต่เหตุมันไม่มีแล้วล่ะเรื่องบังเอิญในโลกนี้มันต้องมีเหตุมีต้องมีเหตุปัจจัยให้มันเกิดแล้วจึงผลมันจึงเกิดขึ้นมาให้เข้าใจในเรื่องเหตุและผลไม่ให้ยังงงายไม่งั้นถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้มันก็งมงายไปทุกเรื่องเลยล่ะงมงายไป แ, แม้แต่การปฏิบัติธรรมก็งมงายจนเขาหลอกได้อืม mm hmm. มันจะต้อง mm hmm. เข้าใจในเรื่องเหตุและผลอบบ น, นี้